ตั้งแต่วันอาสาระหะปูชาส่วนเทวสนิบาตเพื่อฟังธรรมนั้นคงสุดแต่ว่าจะมีการแสดงธรรมเมื่อไรและมีเล่าไว้ในที่หลายแห่งว่าในชุมนุมเทพณนะเทวสภาสุธรรมมาในบางคราวพระอิงทรงแสดงธรรมแก่เทพทั้งปวงในบางคราวพระพรหมลงมาแสดงและเทพผู้มาเข้าสนิบาตนั้นเป็นเทพในสวรรค์สองชั้นคือชั้นดาวดึงและชั้นจาตุมหาราชิกา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 ในหมู่พรมก็เท้าสามบดีพรมองค์นี้ทั้งได้ออกชื่อถึงมากกว่าองค์อื่นทั้งหมดทรงขับภิกษุสงฆ์สามบดิพรมยังได้มาทูลพระพุทธเจา้าขอให้ทรงอนุเคราะห์สงฆ์ดังที่มีเล่าในขันธสังยุตว่าสมัยเมื่อพระพุทธเจา้าประทับอยู่ที่นิโครท า, ารามใกล้กรุงกบิลพัททรงประนามภิกษุสงฆ์เพราะเหตุบางอย่าง เล่าไว้ในอัตถคถาว่าเมื่อเสด็จาจากจกรนครสาวัตถีถึงนครกบิลพั์เจ้าสักยะทั้งหลายรับเสด็จและกระทุนเชิญเสด็จไปประทับที่นิโครทารามเมื่อเสด็จถึงอารามนั้นแล้วก็ได้เสด็จเข้าสู่ที่ประทับทรงทำปฏิสันถารกับเจ้าสักยะตทั้งปวงที่ตามไปส่งถึงที่ประทับขณะนั้นพวกพิสุทิตามเสด็จพากันจัดที่พักและรับแจกทานวัตถุ ต, าตา่างๆ ที่เขาจัดถวายเป็นเครื่องต้อนรับก็มีเสียงพูดเรียกพูดถามกันอยู่อื้ออึงพระพุทธเจ้าไม่โปรดเสียงดังอื้ออึงตรัสถามทราบเรื่องแล้วจึงทรงประนามพิสุทสงฆ์ประนามก็คือขับออกไปตามเรื่องต่อไปกล่าวว่าได้เสด็จในที่เร้นทรงพระดำริตอยู่พระองค์เดียวคําว่าประนามในที่นี้สังเกตตามท้องเรื่องว่า น่าจะเพียงรับสั่งให้ไปบอกทํานองว่าออกไปให้พ้นอย่ามาเอะอะอยู่ที่นี่เท่านั้นเมืนน่อไดนมาถึงว่าขับไล่เวลาเช้าเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในครองกบิลพัทเสด็จกลับจากบิณฑบาตหลังจากเสวยแล้วได้เสด็จไปยังป่ามหาวันประทับพักกลางวันอยู่ที่โคนต้นมะตูมหนุ่มต้นหนึ่งเกิดพระดําเร่ขึ้นในพระหฤทัยว่าทรงขับพิจุสง์ แต่ในายพิสุสงน์นี้ยังมีพวกพิสุใหม่ที่หวังพึ่งพระองค์เมื่อไม่ได้เห็นพระองค์ก็จะพึงรูนเรกระสับ ก, กระสายเหมือนอย่างลูกโคอ่อนไม่ได้เห็นแม่โคก็วุ่นวายกระสับ ก, กระสายหรือเหมือนอย่างพืชที่งอกขึ้นใหม่ไม่ได้น้ําก็เหี่ยวแห้งหนอยเหงาจึงน่าที่จะทรงอนุเคราะห์ภิสุสงในบัดนี้เหมือนอย่างที่ได้ทรงอนุเคราะห์มาแล้วในการก่อนสหมบดีพรม ได้ทราบพระดันริในขณะนั้นได้มาปรากฏเบื้องหน้าพระองค์ห่ผมผ้าโจ้วีงบาประคองอัญเชลีกราบทูลมีความว่าขอให้ทรงอนุเคราะห์สงเหมือนอย่างที่ทรงพระดันริในตอนท้ายนั่นเถิดเพราะในทรงนี้ก็ยังมีพิสุขใหม่ที่หวังพึ่งพระองค์เต็มที่เหมือนอย่างลูกโคล อ, อนหวังพึ่งแม่โคเหมือนอย่างพืชที่งอกขึ้นใหม่หวังพึ่งน้ําฉะนั้นจึงขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงอภิญันพิสุขสงฆ์ทรงโอวาทอนุสาทพิสุสงฆ์เหมือนอย่างที่ได้เคยทรงอนุเคราะห์มาแล้วในการก่อนเธอพระพุทธเจ้าทรงรับอาราธนาด้วยพระอาการดุษรีภาพสามบดีพรหมทราบว่าพระองค์ทรงรับอาราธนาว่าจะทรงอนุเคราะห์สงต่อไปไม่ทรงทอดทิ้งแล้วก็ได้ถวายอภิวาททำประทักษิณคือเดินเวียงขวาพระพุทธองค์แล้วอันตรธานไปในที่นั้น เป็นอันว่าพระพรหมองค์นี้ได้มากราบทูลอาราธนาให้ทรงแสดงคำโปรดโลกหนหนึ่งเมื่อตอนต้นพุทธ ก, กาลแล้วครั้งนี้ยังได้มากราบทูลอาราธนาให้ทรงโปรดสงต่อไปอีกนับว่าโลกและสง์เป็นนิบุญคุณของสหัมบดีพรหมอยู่เป็นอันมากอีกคราวหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วใหม่ๆประทับเสวยวิมุติสุขอยู่ที่ขวงไม้อาจักป่าลักนิโครธ ใกล้ฝั่งในน้ำเนรัญชาราตําบลอุรุเวลาได้เกิดพระดันริศพระหฤทยัยขึ้นว่าผู้ที่ไม่มีที่ขาดวะไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์แท้พระองค์จะพึงทรงอยู่สักการะเคารพพึ่งพาอาศัยสมณะหรือพรามณ์ที่ไหนได้เนอทรงพระดรําดิศเห็นในขณะนั้นว่าจะพึงทรงสักการะเคารพพึ่งพาอาศัยสมณะหรือพราม์อื่น ก็เพื่อความบริบูรณ์แห่งกองศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะที่ยังไม่บริบูรณ์แต่ก็ไม่ทรงเห็นสมณะหรือครามอื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพร้อมทั้งมารโลกพร ม, มโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามพร้อมทั้งเทพและมนุษย์ที่จะถึงพร้อมด้วยศีลเป็นต้นยิ่งกว่าพระองค์ซึ่งพระองค์จะพทรงสการะ เคารพพึ่งพาอาศัยได้จึง น, น้าที่พระองค์จะพึงทรงสการะเคารพพึ่งพาอาศัยประธรรมที่พระองค์ได้ตระสร้นี่แหละลำดับนั้นสหบดีพรมได้ทราบพระดำรินี้ได้มาปรากฏกระทูนว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มีมาแล้วในอดีตก็ดีที่จะมีในอนาคตก็ดีพระองค์ปัจจุบันก็ดี ล้วนสการะเคารพพึ่งพาอาศัยพระธรรมอยู่ด้วยกันทุกพระองค์ครั้นแล้วได้กราบทูลเป็นฉันทกถาว่าเยจจะตีตาสามพุท ธ, ธาเป็นต้นมีความว่าพระพุท ธ, ธที่ล่วงไปแล้วพระพุท ธ, ธที่ยังไม่มาพระสัมพุท ธ, ธในบนัดนี้ผู้ทรงยังโสของคนเป็นอันมากให้สิ้นไปนทุกพระองค์เคารพพระสัทธธรรมอยู่ในการทั้งสาม นี้เป็นธรรมดาของพระพุทธทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ที่รักตนประสงค์ความเจริญใหญ่ระลึกถึงคําสอนของพระพุทธทั้งหลายก็พึงเคารพพระสัจธรรมเถิดเรื่องนี้ต่างเรื่องที่อ้างว่าเมื่อตรัสรู้ใหม่ๆประทับอยู่ที่กุวงไมยนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าลําดับพันศาที่หนึ่งของพระพุทธเจ้าแต่เป็นเรื่องเบ็ดเตล็ดจึงนํามาเล่าในหมวดเรื่องรวมของสามบดีพร ทรงเคารพธรรมพระพุทธเจ้าทรงเคารพธรรมด้วยอาการอย่างไรมีแสดงไว้ในปัจจักนิบาศความว่าสีห์ผู้เป็นปราชาแห่งเนื้อออกจากที่อาศัยในเวลาเย็นบิดเยื้องป ร, รับร่างกายแล้วมองตรวจดูทั้งสี่ทิศโดยรคบคำรามเสียงสีห์ขึ้นสามครั้งออกหาอาหารถ้าจัดตะครบฆ่าช้างกระบือโคเสือ ตลอดถึงสัตว์เล็กๆโดยที่สุดแม้จะเป็นกระต่ายและแม่ก็ตาก็ฆ่าโดยเคารพคือด้วยความรอบคอบหนักแน่นแน่นอนเหมือนกันเพราะเหตุที่มีความคิดมุ่งหมายไม่ให้เสียแรงจากครุปเปล่าคำว่าสีหะเป็นชื่อของพระตถาคตอราหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อที่พระตถาคตแสดงธรรมแก่บริษัทเป็นการบรรลือีหานาะถถ้าทรงแสดงธรรมแก่พิสุ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 คือเป็นเลิศในทางใดทางหนึ่งก็มีหลายท่านแสดงว่ามิใช่ทรงคารรรมเพียงแต่ที่ทรงแสดงธรรมโดยคารพดังกล่าวเท่านั้นแต่ทรงคารธรรมในทุกๆ ท, ทางเช่นทรงยกย่องบุคคลตามธรรมที่เขาปฏิบัติและบรรลุ ถ, ถึงมิใช่โดยชาติสกุลทรัพย์ยศหรือเหตุประการอื่นจะเป็นคนชาติชั้นวรรณะหไหนจะมีจนอย่างไรถ้าทาชั่ว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 ทรงชี้ทางให้คนชั่วคนผิดทุกคนได้สำนึกผิดแล้วละความชั่วผิดด้วยตนเองข้อนี้แหละที่ว่าทรงมีพระกรุณาโปรดเหมือนอย่างทรงดำเนินนำทางเขาไปในเบื้องหน้าแต่ทงางไหนบรรดาคนชั่วคนผิดทั้งหลายจึงจะมองเห็นพระคือมองเห็นพระกุธเจ้าเสด็จนาไปในเบื้องหน้าซึ่งได้เสด็จนาทางอยู่ทุกขณะทุกสถานตลอดมาจนถึงบัดนี้แล้ว ย้อนกลับมากล่าวถึงเรื่องเคารพธรรมนอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีเรื่องอีกมากที่แสดงว่าทรงเคารพธรรมเช่นทรงบัญญัะเสตียวัตรให้ภิกษุแสดงธรรมแก่คนที่ตั้งอยู่ในอาการที่เคารพและเมื่อจะเสด็จดับขันธปริณิพัฒนก็ได้ทรงตั้งธรรมที่ทรงสแสดงและวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ให้เป็นาศาสดาแทนพระองค์เพื่อไม่ให้เข้าใจว่าพระศาสนาว่างศาสดาเสียแล้ว ทั้งได้ทรงบอกทางที่จะเข้าถึงพระองค์ไว้อย่างชาัดเจนว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราดังนั้นวิธีเคารพธรรมตามที่กล่าวเทียบด้วยสีหกจับสัตว์คือทรงสแสดงธรรมโดยเคารพทั่วไปทั้งหมดเป็นเนติปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติกรณียะทั้งปวงได้เช่นแพทย์ผู้ที่เชื่อว่าเคารพในจัรญาแพทยย่อมทาการเยียวยารักษาคนไข้ไม่เลือกว่ายากตีมีจน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 มูชนในสมัยที่ขาดความเคารพธรรมเมื่อหมิ่นธรรมคือความดีก็จะพากันนิยมทําความชั่วบูชาคนชั่วผู้ซึ่งประสบผลปัจจุบันจากการทำชั่วนับว่าเป็นสมัยมืดแต่ในสมัยที่กลับเกิดความเคารพธรรมจึงจะพากันนิยมทําความดีบูชาคนที่ทําดีเป็นอันถึงสมัยสว่างพระพุทธเจ้ารทรงเคารพธรรม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 มีภูมิธรรมสูงมีความเคารพในพระพุทธเจ้าเป็นอย่างยิ่งประวัติเก่าของพระพรมองค์นี้มีเล่าไว้ในอัตตะถาปาสราสิสูตรว่าในศาสนาพระกระสปะพุทธเจ้ามีพระเถระองค์หนึ่งชื่อสหกะได้ปฐมฌานจึงไปบังเกิดเป็นพรมมีอายุกะดหนึ่งในพรมชั้นปฐมฌานชื่อว่าสหากะสหกะนั้นกลายมาเป็นสหัมปฏิ เรียกเป็นเสียงไทยว่าสามวดีอันหนึ่งในคำพี ช, ชื่อยาโนไทยแต่งเป็นภาษาบาลีในชั้นหลังได้กล่าวว่าในปรรษาที่หเมื่อพระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาอยู่ที่มกุลัะบันคตนั้นได้มีฉดินประมาณพันหนึ่งอาศัยที่ภูเขานน้าเหมือนกันในที่มีพื้นราบเป็นดินมากหัวหน้าผู้บอกมนแกมูะดินชื่อว่าอินท ก, กุลละได้พาผูชดินไปเฝ้าพระองค์ กราบทูลถามทางที่เกิดความสุขพระองค์ได้ตรัสตอบมีความตามที่จัดได้จากคภีร์นั้นว่าฮิริโอตปะให้เกิดความปฏิบัติชอบได้ทิฏฐิดีให้เกิดสัมมาทิฏฐิในที่ใดมีสัตธรรมในที่นั้นก็มีคนตั้งอยู่ในสัตยธรรในที่ใดมีทางแห่งสันติสุขในที่นั้นก็มีผู้เดินทางแห่งสันติสุขในที่ใดไม่มีชาติชรามรณะ โสกะปริเทวไม่มีทุกข์ครอบงำในที่นั้นแหละมีธรรมที่ไม่มีทุกข์ทั้งปวงคือนิพานฉะนั้นคนมีปัญญามองเห็นสุขของตนจึงทําความเคารพศ ร, รัทธามีความเคารพตั้งใจฟังธรรมอินท ก, กุละพร้อมด้วยพวกจจดินฟังธรรมแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมกราบทูลขอบวชพระภูมิพระภาคเจ้าโปรดให้อุปสมบท เป็นภิสุ ด, ด้วยวิธีเอหิพิกุอุปสัมปทาเมื่อภิสุพวกปุราณชจดินที่มีท่านอินท ก, กุละเป็นหัวหน้าได้บำเพ็ญความเพียรมาลุถึงผลที่สุดแล้วพระองค์ได้ทรงส่งไปประกาศพระศาสนาในที่ต่างๆสวดยักษ์ในภนษาที่6นี้ข้างต้นได้เริ่มเล่าเรื่องเกี่ยวกับยักษ์และเทวดาในอาตานาตยสูตร ซึ่งมีบทนมัสการพระอดีตพุทธเจ้าทั้งหลายจึงได้เล่าถึงเรื่องพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งปวงเรื่องอายุกลับกันเรื่องโลกจั ก, กรวาลตลอดถึงเรื่องโลกวินาศเรื่องอบายสีซึ่งจัดเป็นอบายภูมิหรือทุกติเรื่องมนุษย์และสวรรค์หกชั้นอันเป็นสุกติรวมสิอประเภทเป็นกามาวจรภูมิหรือพบถ้าอบายก็เป็นอกุศลวิบากตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปเป็นฝ่ายกุศลวิบาก ต่อจากนี้เรื่องโพรหมโลกอันแยกประเภทใหญ่ออกเป็นรูปาวจรภูมิหรือพบกับอรูปาวจรภูมิหรือพบทั้งหมดนี้โยงเป็นแถวมาจากเรื่องแรกคือเรื่องในอาตานาติยสูตรนั้นจึงจะกลับมาถึงพระสูตรนี้อีกดูในอัจฉริยที่เขียนในลังกาและบันทึกเรื่องเก่าๆของไทยเราเองมีเขาว่าคนพากันกลัวยับว่าเป็นตัวนําโรคภัยไข้เจ็บเมื่อมีโรคระบาดเช่นไอวาตะโรค ก็เพราะหมูยักษ์จะเป็นบริวารของเท้ากูเเวนพากันมาจากมนุษย์คงจะมีลทัทธิความเชื่อเช่นนี้ประจำท้องถิ่นก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเข้ามาถึงเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาแล้วก็มีพระสูตรนี้ที่เล่าว่าเท้ากูเวนซึ่งเป็นเจ้าแห่งยักษ์ได้มาฝ้าพระพุทธเจา้ากราบทูลขอประทานพระพุทธานุญาตให้พุทธบริสัทธ์สวดบทวิปัสสิ ซึ่งเป็นบทนมัสการพระอดีตพุทธเจ้าตั้งแต่พระวิปัสสีจนถึงพระพุทธเจ้าในปัจจุบันอศาสนารวมเจ็ดพระองค์เพื่อป้องกันอันตรายจากพวกยักษ์ที่พานดุร้ายจึงมีเทศกาลนิมนต์พระสวดพระสูตรนี้เพื่อป้องกันและกําจัดอันตรายจากพวกยักษ์ผีปีศาจต่างๆคือโรคต่างๆนั่นเองในทางราชการมีสวดตลอดรุ่งในพระราชพิธีสัมพัดจรัญฉิน จะสิ้นเดือนสีมียิงปืนอาตานาในขณะที่พระสวด ถ, ถึงตอนนั้นๆทํานองสวดมีเสียงเ อ, งอะดุกดันในบางตอนคล้ายจะขับไล่พวกนั้นนอกจากที่กรุงเทพทราบว่ายังมีพิธีสวดในวันตรุษนั้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่พระราชพิธีนี้ได้เลิกมานานแล้วหมัดนี้พระที่สวดพระสวดนี้ได้อันเรียกว่าสวดยักษ์ด้วยทํานองสรพัน ญ, ญัก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 บัดนี้ได้มีกล้องส่องมองเห็นตัวโรคกันแล้วแต่มองด้วยตาก็คงไม่เห็นเหมือนกันและได้พบวิธีป้องกันรักษาทำลายตัวเชื้อโรคได้มากโรคบางอย่างที่กลัวกันมากในอดีตมาถึงปัจจุบันกลายเป็นโรคที่ไม่น่ากลัวความคิดของคนที่จะยิงปืนขู่หรือไล่ ย, ยับก็เปลี่ยนไปข้อที่ร้ายยิ่งขึ้นไปกว่านั้นคือเปลี่ยนไปเป็นมุ่งที่จะยิงปืนคู่ หรือไล่คนด้วยการเองหนักขึ้นยักษ์ที่เคยเป็นตัวโรคทางกายกลับเข้าสิงใจมนุษย์อย่างที่เรียกว่ามีใจเป็นยักษ์เป็นมารหมายถึงกิเลสในใจคนที่มากขึ้นอันเรียกว่ากิเลสสมารจะเรียกว่ากิเลสยักษ์บ้างก็คงไม่ผิดยักษ์สิงใจนี้จะแก้ได้ด้วยอะไรก็โดยการปฏิบัติอบรมจิตใจตามหลักพระพุทธศาสนา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 คนโบราณงมงายยิ่งปืนได้ยักที่ไหนพระอาจไม่ได้คิดว่าความรู้ของคนเปลี่ยนไปเสมอตามการศึกษายุคไหนขึ้นถึงขั้นไหนก็ย่อมจะรู้เห็นในขั้นนั้นแต่ถ้าไม่มีโบราณปัจจุบันก็มีไม่ได้ถ้าจะเปรียบดเหนือนขึ้นภูเขาสูงขึ้นถึงระดับไหนก็ย่อมจะเห็นในระดับนั้นจะให้ถึงยอดทเดียวโดยไม่ขึ้นไปตั้งแต่เชิงเขา หาได้ไหมเห็นว่ายักษ์เป็นตัวโรคนับว่าใกล้ระดับปัจจุบันเข้ามาแล้วคือเห็นว่ามีตัวโรคที่มองไม่เห็นตัวตนในปัจจุบันสร้างเครื่องส่องให้มองเห็นตัวขึ้นความเห็นว่ามีตัวเชื้อโรคจึงมีมานานแล้วและควรจะแยกว่าเรื่องนี้เป็นทางแพทยศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์ถ้าเป็นเรื่องยักษ์ในใจคือกิเลสและเครื่องกจาจัดกิเลสจึงจะเป็นพุทธศาสตร์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 กายมณะอาญตนภายนอกหกคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภะเรื่องวิญญาณคือความรู้ทางอาญาตนาหกคือความรู้สึกได้เห็นได้ฟังได้ดมได้ลิ้มได้ถูกได้ทราบสัมผัสคือความประจวบ ก, กันเข้าแห่งอาญตนาภายในภายนอกกับวิญญาณหกเวทนาความรู้เสวยเป็นสุขทุกข์ หรือไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะสัมผัสหกเหล่านี้เป็นโลกทั้งหมดอีกแห่งหนึ่งแสดงว่าโลกหรือบัญญัติว่าโลกมีอยู่ในอายตนะภายในภายนอกทั้งหกในวิญญาณทั้งหกในธรรมที่พึงรู้ด้วยวิญญาณทั้งหกทุกข์หรือบัญญัติว่าทุกข์มารหรือบัญญัติว่ามารสัตว์หรือบัญญัติว่าสัตว์ก็มีอยู่ในที่เช่นเดียวกันนี้ฉะนั้นภาวะเป็นโลกเป็นทุกข์เป็นสัตว์เป็นมาร จึงรวมกันอยู่ในตนเองของทุกทุกคนได้มีพระพุทธภาษิตในสังยุตว่าเราตถาคตบัญญัติโลกเหตุเกิดโลกความดับโลกทางปฏิบัติให้ถึงความดับโลกในกเลวระคือกายหรืออัตภาพยาวาหนึง่งมีสัญญามีมณัตนี่แหละพระพุทธภาษิตนี้ตรัสแก่โลหิตตัสสะเทศผู้มาเฝ้ากราบทูลถามว่า ในที่ใดไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ยุติไม่อุบัติที่นั้นคือที่สุดแห่งโลกจะอาจเพื่อรู้หรือเห็นหรือบรรลุได้ด้วยการไปหรือหาไม่ตรัสตอบว่าที่สุดแห่งโลกนั้นไม่ตรัสว่าจะพึงรู้หรือเห็นหรือบรรลุได้ด้วยการไปเทพกราบทุลรับรองว่า เมื่อครั้งตนเป็นมรสีในครั้งก่อนมีฤทธิ์เหาะเร็วมากสามารถเหาะข้ามจั ก, กรวาลโลกโลกหนึ่งซิมเวลาแว้บเดียวเหมือนอย่างนายขมังธนูมือเยี่ยมยิงลูกธนูผ่านเงาตาลตามขวางเหาะผ่านโลกโลกหนึ่งก็ขณะเวลาลูกธนูวิ่งผ่านเงาตาลตามขวางต้นหนึ่งคือรทธิที่สุดหรือหนึ่นอย่างย่างเท้าครั้งเดียวจากสมุดทิศตะวันออกถึงสมุดทิศตะวันตกคือระยะจากขอบปากจั ก, กรวาลตะวันออก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 ทรงบัญญัติโลกเป็นต้นในเกเลยวระคือกายหรืออัิภาพนี่แหละโลกและที่สุดโลกจึงมีอยู่ภายในนี้ไม่ใช่มีอยู่ในภายนอกฉะนั้นผู้ที่ประสงค์จะเที่ยวดูโลกจนถึงที่สุดโลกในพระพุทธศาสนาจึงหยุดเที่ยวไปในโลกภายนอกได้ทั้งหมดเกเลวระของตนอยู่ที่ไหนก็ดูเข้ามาที่นั่น คือดูเข้ามาในกายของตนเองส่วนไหนเป็นโลกแล้วมื่อกล่าวรูนทั้งหมดโลกมีลักษณะอย่างไรก็ได้ตรัสชี้ไว้แล้วเมื่อจะอธิบายตามแนวอริยสัจก็อธิบายได้ว่าโลกคือทุกข์เหตุเกิดโลกคือเหตุเกิดทุกข์ได้แก่ตัณหาคือความดลืโรงทยานอยากของใจความดับโลกคือความดับทุกข์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 แต่เมื่อถึงแล้วก็ควรทุกได้จริงเพราะโลกก็คือทุกข์สุดโลกก็คือสุดทุกทั้งหมดมีอยู่ในกะเหลวรนันี้ซึ่งมีความยาวประมาณวานหนึ่งเท่านั้นไม่ต้องเที่ยวไปหาในที่อื่นพุทธศาสตร์ที่แท้จริงย่อมแสดงเรื่องโลกไว้เช่นนี้เรื่องโลกธาตุท่าทงปวงเรื่องนรกมนุษย์สวรรค์ ที่ได้เล่ามาในตอนพรรษาที่หกนี้ทั้งหมดก็รวมเข้าในคําว่าโลกตามพุทธทิบายคําเดียวว่าลุจจตีติโลกโกเรียกว่าโลกเพราะเป็นสิ่งที่ต้องจารุดสลายรวมเข้าในทุกข์กระสัเมื่อเป็นโลกก็ต้องเป็นทุกข์จนกว่าจะถึงที่สุดโลกจึงจะสิ้นทุกข์เป็นอันสมมติยุติภรรษาที่หจะได้เริ่มขึ้นพรรษาที่เจ็ต่อไป